ลงมาฉันส9เก้ารูปงดฉันห้ารนะูปวะเนีันนี้รู้สึกว่าหนาวหนาวกว่าทุกวันที่ผ่านๆมาไม่ถึงขนาวโดเย็นสบายแล้ววันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพห้าร้ยห้าสิบเจ็ด วันนี้คณะสงฆ์ภาคแปดได้รวบรวมทั้งภาคอุดร น, น้องคายบึงการสกลนคร น, น้องบัวลำพูเลยจะได้ไปสวดอภิธรรมอดีตเจ้าอาวาสอาดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยที่ท่านมรณะาภาพเป็นหลวงปู่วันนี้จะรวมกัน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 พาตรายสตุปจจัยไปร่วมคณะสงฆ์ฝากไปกับท่านเจ้าคณะอำเภอนายุงหลวงพ่อชาลีวัดป่าภูก้อนไปแล้ววันนี้คงจะไปวันนี้ประมาณสิบหกศูนย์ศูนย์นอจะมีการสวดพระอภิธรรมแต่วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้วันพรุ่งนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงเป็นวันอาทิตย์ นี่ ล, ละภารกิจธุรกิจเรื่องภาระแต่ตามไม่จริงงานพระธิานเพิงครูบาอาจารย์ถ้าหลวงพ่อไม่จำเป็นจริงไม่เจ็บใครได้ป่วยคงไปแต่คราวนี้สองจิตสองใจเหมือนกันนะลูกหลานเพราะว่าวันที่คืนวันที่สิบแปด อาหารเป็นพิษอยู่ที่วัดรวมธรรมวัดของท่านรัตนะอำเภอเพนมันยังอ่อนเพลียมันกระทั่งทุกวันนี่นี่แหละอายุสูงขึ้นมาแล้วมันมีอะไรมาชนหน่อยนึงมันก็ทลาไปมากพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าถาดขันมันมันอ่อนไม่อ่อนได้อย่างงี้อายุเจ็ดสิบ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 แล้วก็ทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเข้ามาอีกเข้ามาขออีกกันแบบลักษณะเครื่องเดียวกันตัวนั่งกอล้านเจ็ดเหมือนกันเป็นเครื่องโอลิมปัสแต่ยังไม่ได้จ่ายแต่ก็ตกลงแล้วลนะ่ะพร้อมที่จะถ่าของมาแล้วก็คงจะเข้ามาแต่ตอนนี้ขอนแก่นมาก่อนพอหลวงพ่อตกลงเขาไว้ก่อนแล้วออก็อบเครื่องมาส่งเลยเมื่อวาน กับคณะหมอพยาคณะพยาบาลมาเมื่อวานนี้หลวงพ่อเห็นเครื่องแล้วก็นิมนต์พระหลวงตาที่เกี่ยวข้องไปนั่งดูด้วยกันเขาก็สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือว่าเครื่องตัวนี้เป็นของเครื่องพาตัดห้ามเลือดด้วยความถี่สูงยี่ห้อจอรนสันแอน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 ทางบริษัทเขาจะเป็นผู้จัดการเองนะก็เมื่อวานก็มาพูดคุยกันตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สาธิตวิธีการใช้ให้กับพวกที่มาดูมาเมื่อวานนี้หลวงพ่อเห็นเออเป็นที่พอใจเพราะเป็นเครื่องมือตัวเล็กแต่ก็ใช้ประโยชน์ได้มากห้ามเลือดเพราะเลือดทุกวันเนี่ยมันก็หายากอีกต่างหากกตามหลัก หมอหลับตามหลักที่เขาเล่าให้หลวงพ่อฟังไม่รู้ว่าไวรัสซีไวรัสบี B, ชิฟิลิตวันหน้าโรคอะไรมีเยอะแยะไปหมดโรคทุกวันนี่ก่อนที่จะได้เลือดมาเข้าร่างกายของแต่ละคนเป็นการกันกรองโดยความละเอียดถี่ถ้วนพอสมควรค่หลวงพ่อก็ได้ยินเพรานะนั้นหลวงพ่อ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 พราะขาวนั้นไปจังหวัดชัยภูมิคณะแพทย์ก็ไปพบหลวงพ่อแล้วก็นิมนต์หลวงพ่อเขาไปดูโรงพยาบาลเข้าไปดูแล้วโอ้เครื่องมืออย่า ง, างน้อยมากนะแต่คนเยอ ะ, ยอะจริงๆเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นแล้วก็น่าจะถ้าเราพอมีกำลังค ว, ควรจะช่วยนะ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ตัดสินใจซื้อเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลชุมแพเป็นเงินได่หละล้านหก0 0นบาทเพราะนั้นขอบอกให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมพระเนรทุกรูปนะรับรู้รับทราบเพราะเงินนี้ไม่ใช่ปัจจัยนี่ไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่อเป็นปัจจัยเกิดมาจากวัดท้าว่าหลวงพ่ออยู่องค์เดียว ศรัทธา ญ, ญาติโยมถวายก็คงจะถวายไม่มากเพราะหลวงพ่ออยู่องเดียวแต่นี้พระหลายองค์เขาก็ถวายจะถูกปัจจัยก็ได้มาก็หลายถวายเผื่อองค์นั้นองค์นี้เพราะนั้นเป็นปัจจัยส่วนรวมในเมื่อได้มาแล้วก็นั่นแหละแบ่งทําถนนบ้างสร้างวัดลูกน้องตามวัดต่างๆบ้างแบ่งซื้อเครื่องมือบ้างมันหลายบ้างเหมือนกัน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 แล้วยังค่อยว่ากันอีกขั้นตอนต่อไปถามันไม่งอกไม่เงินเราก็หยุดเพราะชีวิตของพระเราก็รู้อยู่แล้วไม่มีการทํามาค้าขายเราเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นหลวงพ่อได้มาโดยเป็นธรรมก็แจกโดยเป็นธรรมไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจ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 แล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นข้นแก่นนะก็ประมาณล้านเจ็ดตัวนะของขนแก่นเนี่ยถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดไม่เล่าให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังทาไปแล้วก็จบพวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานก็คงจะสงสัยอ้ยปัจจัยที่ลงถวายหลวงพ่อไปนะ้นทำประโยชน์อะไรบ้างนะถ้าว่าพูดให้ฟังทุกครั้ง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 เพราะนั้นหลวงพ่อคิดว่าพูดดีกว่าที่จงให้เคลียร์ตัวตัวเองดีกว่าเคลียร์วัตวาศาสานาดีกว่าดีกว่าไม่พูดอะไรเลยทาไม่พูดอะไรมันอึมครึมพอมันอึมครึมมันก็วิจารไปนานาต่างๆเสียหายแต่เราพูดเนี่ยจะเกิดประโยชน์แต่ว่าพูดที่มีน้ำจิตน้ำใจแต่หลวงพ่อทำทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อไม่ใช่ทาโดยพระการ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 ปเรื่องอะไรออกไปอแต่ก็ไม่ใช่วิตกวิจารนะ อ, อคิดแล้วออกไปเลยเ อ, อที่มานทีท่วนแล้วไม่มีไม่เดือดร้อนแล้วนะนี่แหละอันนี้ก็คือการบริหารจัดการเรื่องอปัจจัยจตุปัจจัยที่เดชอติเลกดาบที่ได้มาในกับวัดของเรานะลูกหลานนะ่ะแล้วก็พร้อมกันการขี้ตนีทีเหนียวมันไม่ดีหรอกเออ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 อยางนรัตนะของพระ อ, องค์เนี่ยมันยาวไกลกว่าเลดา้านในขอบจกกักรวาลเลยเไม่มีประมาณแต่เลด้าของเมืองอุดอรเลยเลด้าในสนามบินนมันอยู่ในกรอบมันวงจำกัดใช่อันนี้เลด้าของพระพุทธเจ้าท่านมองรอบด้านท่านก็เห็นอานนนเศรษฐีแล้วก็มูลศิริมูลศิลริเศรษฐี อยู่ในกรุงสาวัตถีอาโนเศษีีมีเงินทั้ง8ปดสบโกรเป็นคนรวยกองเมืองในกรุงสาวัตถีแต่ว่าขี้นีขี้ขี้เหนียวนี่ดุดไม่มีไม่มีคาว่าแบ่งปันให้ใครนี่ไม่มีตกลนเลยอ่แล้วก็มีลูกชายชื่ออะมูลชริเศธีลูกชายนแต่นี้ก็มีลูกชายคุณคนเดียวเท่านั้นพอใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มขึ้นมาแลยก็ต้องตั้ง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 นี่แหละข้นานว่ามีการประหยัดมีการต่อเติมสดในทรัพย์สมบัติของความเจริญความรวยก็จะเกิดขึ้นแต่ท่านเอาไปใช้ เ, เหมือนกับหยดตาน้ำหยดน้ำยาหยดตาทิละหยดมันก็หมดไปสมบัติของคุณก็เหมือนกันใ ห, ให้ระวังนะคือเป็นแนวนโยบายของอานนน ผู้เป็นพ่อคือบอกให้พวกคณาจารย์สอนลูกชายสอนให้ขี้เหนียวให้ประหยัดทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นวันหนึ่งสามเวลาแต่จะเข้าในสมองของสิริเศรษฐีมากน้อยแค่ไหนอันนั้นท่านก็ไม่ได้พูดนะแต่พอาต่อมาอานนนเศรษฐีก็เลยตายพอตาย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 ร่างกายนี่ปากก็เบี้ยวไปตั้งหนึ่งตา ก, ก็ปิดไปตั้งหนึ่งหูก็ไม่เสมอกันอีกแปลว่าวาญญาวะของอน์นเสธถีที่มันเกิดขึ้นมาเป็นลูกจันทานแะแปลว่ากรรมกรรมคือการกระทาของตัวเองขี้เหนียวยังไปแล้วเนี่ย ย, ยังดุดาว่ากาวคู่คนอีกต่างหากใช้อากับกิรลยาที่ว่าอันไหนจะใครใครไม่รู้ว่าใครต่อใครละพอคน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 บิดปาเลขนาดไหนก็คือลูกของตัวเองพอเลี้ยงใหญ่ขึ้นมาก็เลยเอากระเบื้องใส่มือเอาขันขันขอทานใส่มือไปลูกก็ไปหาขอกินในระัต น, นีนะอย่างแม่พ่อแม่พาไปขอนั่นแหละทางลูกชายก็ได้กระเบื้องหรือไปหาขอกินตามมีตามเกิดก็ได้บางกินบ้างอิ่มบ้างมองแมแอมเต็มทนเสื้อผ้าไม่ต้องพูดไม่ต้อง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 ตอนเช้าพระพุทธองค์ก็พาพระอา น, นุ์เดินตามหลังไปบินทบาตเป็นปัจชาสมะณะท่านสับปะษัเบลีว่าปัจชามะณะคือเป็นผู้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าพอเดินไปถึงหน้าประตูบ้านเศรษฐีพระพุทธองค์ก็บอกว่าอา น, นุนท่านก็มองมองดูพระอา น, นุ์พระอา น, นุ์ก็จัดหาที่นั่งแล้วก็บอกประกาศคนแทนเอ้ยจัดท่าแย่ทวมใครจะมาฟังพระพุทธองค์ แต่นี้พระองค์บอกว่าโมนสิริเศรษฐีนี่น่ะอันนี้ท่านทานท่านรู้ไหมว่าเป็นใครคือเด็กคนนั่นก็อยู่ในคือคล้ายๆกับว่าใจของเขาน่ถึงจะเป็นไปเกิดที่อื่นก็เติรใจของเขายังห่วงหาอะไรอยู่ในบ้านหลังนั้นอยู่เพราะใจของเขามืนเคยมันเคยห่วงน่คนห่วงนะถึงจะไปเกิดที่อื่นก็ยังห่วงอยู่ในบ้านหลังป้วนเปี้ยนอยู่แถบแถนั่นละ เขาก็เห็นอยู่เขาก็ไม่ให้มันเข้าบ้านใช่ไหมแตคนแบบนั้นจะเข้าบ้า น, นเนยเาก็ไล่ตะเพิดนะ่แต่นี่พระพุทโธก็บอกว่ามูลชลเศรษฐีรู้ว่านี่เป็นใครไม่ไม่ทราบไม่รู้ครับมันเป็นเด็กจระ จ, จรัดเด็กจันทานนะไม่รู้นี่แหละพ่อของท่านเนี่ยฟังดูนะเหลักของพุทธศาสานาเนี่ยตายแลวเกิดนะไม่ใช่ตายและสูญนะนี่แหละพ่อของท่าน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 พระพุทธองค์เอาอะไรมาเป็นหลักฐานทำไมดูถูกข้าบองค์ถึงขนาดนี้ลักษณะอย่างนั้ น, น อ, อ่ะพวกราว่าเอ้ยมูลชลิอเดี๋ยวเธอปฏิบัติตามเรานะปฏิบัติอย่างที่เราตถาคตพูดนะเธอจะรู้นะนี่นะให้เอาเด็กคนนี้นเด็กพิการคนนี้นปากปิดปากเปียวนะไปอาบน้ำชำระกาย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 ไปฝังสมบัติไว้แล้วจะไปบอกใครกลัวเขาจะไปขุดเอาะใช่ไหมแต่นี่พอจะบอกเข้าไปก็พูดไม่ออกแตามันตายก่อนแทนเนี่ยอยากคิดว่าจะบวก ล, ลูกชายนาทีสุดท้ายนะแต่นี่มันพูดไม่ออกเลยตายก่อนพอตายก่อนแล้วก็พูดไม่ออกแต่วัดในใจเขาจำได้อยู่เขาบอกพ่อพ่อสมบัติที่ขุดที่ฝังไว้ห้าหลุมนั่น อ, อยู่ในบริเวณบ้านไนะม่อยู่ตรงไหนเพะ บริเวณบ้านเศรษฐีมันกว้างใช่ไหมล่ะบางคนเขาว่าเศรษฐีมันหลายร้อยไร่ไม่รู้จะฝังตรงไหนเอเวลาฝังเนี่ยรู้จักเศรษฐีคนเดียวอคนอื่นที่ฝังค ง, คงจะไล่หนีออกจากบ้านฆ่าทิ้งมันทําได้ทั้งหมดอ่ะพอคนขี้จะนีใช่ไหมพระนิสโธก็เลยเลี้ยงอย่างดีท่านเลยกัทาง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 ออกขูดขึ้นมาโอ้ยมีแต่ร อ, องเท้าสรลองประบาด ท, ทองคำอะไรมีแต่ของคำมีแต่เงินมีแต่ขอ ง, ม, ของมีคุณค่าทั้งหมดเลยท่เนี่ขึ้นมาตั้งห้าหลุมเออจากนั้นมูลสิริเศรษฐีเลยสยบเลยทน่นี่โอ้ยอมอไปกราบคารวะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เทศนะว่าการให้ฟัง